พราธรรมเทศนาแผ่นที่99ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าวิชาทางโลกวิชาทางธรรมคณะทาัาญาติโยมโลกหลานอยู่ในอยู่ประจำที่ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระแรม15ค่ำวันนี้เป็นวันพระใหญ่เพราะนั้นวันนี้คณะทศัทาญาติโยมลูกหลานที่มาสู่วัดของหลวงพ่อลูกหลานทุกคนนะควรจะมีศีลอย่างน้อยควรสมาทานศีล5และศีลอุโบสถนั้นคือเป็น เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะพวกคณะชาติา ญ, ญาติโยมที่เป็นผู้ที่สมาทานสินตรอดไตรมาสสมเดือนนี่ก็เป็นศินที่10นะคณะัทติ ญ, ญาติโยมอีกสองสินนะอีกสองสินก็ออกพรรษาแล้วพระะนันวันนี้เป็นสินที่10ของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจสมาทานศินอย่างน้อยเป็นคนดีสักชั่วโมงหนึ่งอะไได้ไหม คนโบราณที่หลว ง, งพ่อเคยพูดเนี่ยรักษาศีลชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบริ้นก็ยังเป็นศีลหูแ ล, บล็บรินพวกเราเคยเห็นงูคงจะเห็นน่ะมันแลบรินเน่ยช้างก็เหมือน ก, นกันกระทบหูบ่อยๆนี้ก็เหมือนกันน่ะพวกเรา เ, เป็นพุทธศาสนิกชนประกอบคุณงามความดีไม่เคยสมาทานศีลเลยไม่เคยรักษาศีลเลย มันก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นพวกเราควรจะสมาทานศีลชั่วคู่ชั่วขณะก็ยังเป็นศีลเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่ง เ, เป็นวันสำคัญเป็นวันแรมส5บห้าคเป็นวันพระใหญ่เพราะนั้นวันนี้ขอให้พวกเราทุกท่านนะสมาทานศีลเอาถายกนํากราบอิมินาสกาเลนา ติยันติตัชมาสีรังวิโสทาเยสเมื่ อ, อวานตอนเช้านี่แหละกำลังจะให้พรหลวงพ่อก็ได้ประกาศววันนี้คว้าสว่างแดดแจ่มฝนคงไม่ตกลูกลานมาพอฉันจังหันเสร็จเท่านั้นแหละออพยาญาแถนคงได้ยินคงจะเคืองหัวเลยปล่อยฝนออมาเทเสอย่างแรงเมื่อวาน ต, ตอนสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงนะเทจนถึงเที่ยงนะโอ้ฝนแรงมากแต่ก็ดีนะไม่มีลมมีแรงมีไม่มีฟ้าร้องอะไรร้องฟ้าร้องนิดหน่อยเ อ, อรู้สึกว่าฝนเทลงมาเมื่อวานนะีแต่วันนี้ก็รู้สึกจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเาง ก, น ก, นนะกานนะั้นลูกหลานเห็นไหมไอ้สมชายมันร้องอยู่ในวัดนะมันคงจะเตือนอีกกมั่งเนะี่ยระวังอีกนะั้นระวังเอกนะมันคงจะว่าอย่างนั้นอีกนะระวังฝนนะเห็นไ แต่วันนี้หลวงพ่อเองให้ออกสถานีวิทยุของหลวงพ่อนะ่ในในวัดนะวันนี้นะออกวิทยุ 107.25 เมกะเฮิร์ออกจากวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอําเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีขณะนี้หลวงพ่ออินถวายกำลังเป็นผู้กล่าว อะไรให้คณะสัตยาธิยมลูกหลานฟังอันดับแรกก็ได้กล่าวเรื่องเป็นวันพระเป็นวันศีลแต่พวกเราก็ได้สมาทานศีลอุศีลห้าแล้วก็ศีลอุโบสถจบลงสักครู่นี้นะ เ, เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันถือว่าเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันเสาร์พี่น้องประชาชน ล้นหลามวันนี้แล้วกเ็เมื่อวานกระหลวงพ่อได้พูดกล่าวให้คณะสัทธ า, ญญาติโยมฟังครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อหลวงปู่ทยของเราตรงทีชมพูหมอที่ท่านทำการคว้านเดวควานผ่า เ, เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรโลกแทรกซ้อนท่านอยู่ในสภาพ ดีหมอที่ท่านอาจารย์หมอที่ท่านพาตัดบอกมาแล้วก็หลวงปู่คงจะได้ออกจากโรงพยาบาลศรีนครินวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละคงจะเป็นวันอังคารที่จะออกจากโรงพยาบาลอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้ครูบาอาจารย์แต่ อ, อุ้งเอือนทาไมหลวงพ่อจะไม่ได้พูดหลวงอุ้อื่นท่านเป็นโรคชรลาไม่รู้จะพูดยังไงเพราะจะพูดไปก็ทั้งวีทั้งวันแต่นี้ท่านเข้า โปร่งพยวันประเดียวประดาวนะหลวงพ่อจึงได้แจ้งข่าวให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้รับรู้รับทราบนะแล้ววันอีกไม่กี่วันข้างหน้านวันนี้เป็นวันพวกเราสมาทานศีลในพรรษาเป็นศีลที่สิบนะหลวงพ่อเคยประกาศเคยบอกกล่าวว่าพรรษานีมันพรรษานีมีวันพระอยู่12วัน 4 3่เดือนหนึ่งมี4วันเป็นวันพระรักษาสิน5้าสินอุโบสถนี้ก็เข้ามาถึง10บสิบสินแล้วนะยังเหลืออีกสองสิ น, สนใน12เดือนะ4 3นะ่อีกยังเหลืออยู่ 2, 2วันพระนะคณาสั ย, ยาติโจมแล้วก็เป็นวันออกพรรษาแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางภาคกลางเหมือนกัน วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันศาสตร์ของพี่น้องชาวภาคกลางแต่ทางอีสานของเราเนี่ยเดือน9้าดับเดือนสิเพนเป็นวันสำคัญถือว่าเป็นวันสำคัญในพื้นเพทางอีสานเหนือของพวกเราเป็นวันทาบุญอุทิศสวนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลับดับขันไปคือปู่ย่าตายายญาติโกโหติกาเก่าแก่ของพวกเราถึงในอดีตชาติหรือในปัจจุบัน ธาตวงวิญญาณท่านใดล่องรอยอยู่เราไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลพวกเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้แต่วันนี้ก็อีกวันหนึ่งพี่น้องชาวชาวภาคกลางก็เป็นวันทาบุญศาสตร์เหมือนกันเขาทำมาแต่เมื่อวานเขาทํามวันนะพี่น้องลูกหลานนะทำตั้งแต่วันโกนคือวันตั้งแต่วันเมื่อวานนะค่ำแล้วก็วัน15บหาค่แล้วก็แรม น่าจะคืนหนึ่งค่ำค่ะทำสามวันทางภาคกลางที่ว่าเป็นวันศาสตร์ที่ว่าเป็นวันสําคัญวันเป็นวันอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหมือนกับพวกเราทางอีสานเราทํานั่นแหละนะและก็อีกไม่กี่วันอีกสองอาทิตย์หรือว่าสองวันพระก็เป็นวันออกพรรษาเป็นวันประวัลนาพระสงฆ์แต่วันนี้ก็เป็นวันพารเนอขอบอกข่าว กับครูบาทั้งหลายที่อยู่ในวัดของเราเป็นวันอุโบสถเนอลูกหลานนะ้พระเนนตอนเที่ยงพวกเราจะได้ลงอุโบสถกันนะ้เที่ยงวันนี้นะอันนี้เขาแจ้งข่าวไว้เดี๋ยวพวกลูกหลานจะลืมผู้ที่อดอาหารก็ให้ไปบอกกล่าวกันให้มาพร้อมกันนะแล้วก็วันอีกสองวันสองอาทิตย์สองวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาล้วทีนี้ คงจะเป็นวันที่16มั้งถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะเป็นวันออกปวารณาออกพรรษาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนี่ยพระขันโกรเตรียมพร้อมไว้แล้วล่ะและวันที่23ออกพรรษาไปแล้วไม่นานเป็นวันทอดกระถินนะการทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนขอแจ้งข่าวให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบวันที่23ตุลา 59เป็นวันทอดกรถินที่วัดเราแล้วก็วันที่24ก็คงจะเป็นวันหยุดชดเชยอีกนะเพราะว่าวันที่23เป็นวันอาทิตย์และก็วันเป็นวันปียมหาราชอีกนะก็คงจะมีการหยุดชดเชยอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยอย่าบอกมาก็มาได้นะ ถ้าว่าหลวงพ่อไม่ประกาศไม่บอกไม่กล่าวก็เหมือนโอ้หลวงพ่ออินกระถินหลวงพ่ออินวันที่เท่าไหรนะ่เนาะทําไมหลวงพ่อจึงไม่บอกไมบก่บอกประกาศบอกกล่าวอย่างอื่นหลวงพ่อพูดได้แต่คนที่จะไปวัดหลวงพ่อหนะลวงพ่อคงจะขี้ตันิขีทีเหนียวกีดกันไม่อยากจะให้ลูกหลานเข้ามาสู่วัดของตนเองกำมังเนี่ยลูกหลานก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งถ้าหลวงพ่อไม่ประกาศไม่กล่าวนะ แต่ถ้าฮาวานหลวงพ่อบอกกล่าวอย่างนี้เอ้ยท่านท่านบอกท่านกล่าวแล้วท่านเราไม่ไปเกิดยังไงยังไงอยู่เราได้ยินแล้วนี่เอ่หเหมือนกับท่านค ง, งอยากจะให้พวกเราไปวัดท่านเอ่ท่านคงจะได้อยากจะได้ปัจจัยจากพวกเรากรรมังเอ่ลูกหลานก็จะคิดไปอีกแนวหนึ่งเพราะทั้งทั้งสองอย่างลูกหลานไ ม, ไม่ต้องคิดนะหลวงพ่อวะสบายสบายลูกหลานพร้อมเมื่อะไรกันมาร่วมกันปีหนึ่งก็มีครั้งเดียว กรถินสามมกขีที่วัดป่านาคาน้อยของพวกเราขอให้นั้นขอประกาศขอแจ้งข่าวให้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้รับรู้รับทราบและก็พร้อมกันก็ขอหลวงพ่อพูดแล้วกล่าวอีกนะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการที่ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กกล่าวสมาธิทานศีลก็ดีรักษาศีลก็ดีนะ วันที่ปันภาวนาออกพรรษาก็ดีถวายภามาผ้ากรถินในพระพุทธศาสนาก็ดีล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะจะตุปปัจจัยเรียกว่ากระถิน่นเป็นหน้าที่ของพวกเร า, พ, เราพุทธศาสนากชนที่ร่วมกันในเมื่อเราทอดกรถินแล้วจะตุปปัจจัยที่ได้มากันสร้างศาล า, าถ้าวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา อย่างที่พวกเราได้นั่งศาลาหลังนี้ล่ะเป็นเงินของใครไม่ใช่เงินของหลวงพ่อนะไม่ใช่เงินของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นเงินรวมกระถินผ้า ป, ปานี่ละแล้วพวกเราได้เอามาสร้างมาก็เป็นสถานที่บําเพ็ญกองการกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งในเมื่อมานั่งพวกเรากอนเอา้ามาทําพิธีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัตินี่ละ ถ้ามันเหลือจากค่าใช้จ่ายของวัด เ, เราก็ออกไปช่วยสาธารณประโยชน์โรงร่าโร ง, งเรียนโรงพยาบาลาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมอันนั้นก่อนเนี่ยพวกเราก็จะต้องได้คิดกันอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องฐานะฐานะคำนีนะ้คือจะตุปัจจัยที่ได้ม า, เ, าเราก็เฉลือดเผือแผ่ให้กับชุมชนสังคมให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอีกเหมือนกันมีหลายหอย่างเพราะนั้นเรื่องจะตุปัจจัจำเป็นไหมมันก็จำเป็นจำเป็นมากไม้มก็ไม่ถึงจะจำเป็นมากพอเราเป็นพระกรรมฐานเป็นพระป่าหลวงพ่อเคยประกบ ป, ประกาศเคยบอกเคยกล่าวเราอยู่อย่างพระเราอยู่อย่างพระมีมากก็ใช้ใช้ได้มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อย ไม่มีไม่ต้องใช้ไม่ต้องคิดห้า เ, เราต้องคิดหาธรรมในใจนั่นแนหะเลิดประเสริฐเพราะเราบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นบวชมาเพื่อสแสวงหาธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราเราต้องมองบรมมครูของเราไว้อยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านนี้ออกจากเวียงวังท่านมีบริบูรณ์หมดทุกอย่าง เ, เงินคําทรัพย์สมบัติมีทุกอย่าง เหนือกว่าพวกเราหลายหมื่นหลายแสนเท่าแต่ที่นี้ท่านทําไมท่านจึงหนีท่านหนีไปแล้วท่านไปสแสวงหาปัจใจสีอย่างนั้นอีกใช่ไหมไม่ไปท่านไปสแสวงหาธรรมธรรมคานี้คืออะไรคื อ, อสมาธิธรรมปัญญาธรรมหาความบริสุทธิ์จุ ด, ด, ดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้พวกเราต้องศึกษาท่าจะว่าพูดถ้าจะบรรยายให้ฟังทุกแง่ทุกงง เหลี่ยมทุกแม่ทุกแง่ทุกมุมพวกเราคงจะไปที่ไหนไม่ได้คนนี้คงจะฟังแนวความคิดของพุทธะที่ในท่านแสดงไว้ในหลักธรรมคำสอนของท่านแต่หลวงพ่อเพียงแต่วัาชี้แนว ท, นาทางให้ฟังว่าจุดมุ่งหมายของพุทธะท่านทีนี้ออกไปบวชออกจากเวียงวังนะั้นท่านไปสแสวงหาอะไรที่ท่านพ้นทุกพ้นทุกที่จุดไหนอย่างไร อันนี้พวกเราจะต้องศึกษาในกษาแล้วพวกเราจะได้รู้จากนั้นพวกเราจะได้ซึ้งในธรรมคําสอนพุท ธ, ธะจากนั้นพวกเราจะได้นํามาประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกเราต่อไปพวกเราก็เป็นคนดีเป็นผู้มีจิตใจร่มเย็นเป็นสุข ก, กายสุขใจนะถ้าถึงถึงยังไงก็ตามนะถ้าพวกเราจึงสสแสวงหาปัจจัย4ีว่ว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาด หาเงินคําทรัพย์สมบัติได้แต่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธาแล้วท่านยังไม่จัดว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดนะเพราะพระพุทธเจ้าบร ม, มครูของพวกเราท่านสเสียสละทิ้งกระทั่งเวียงวังฮะท่านไม่เลยท่านเลยไม่ยกย่องในจุดนั้นนะแต่ท่านก็ไม่ประมาทเพราะพวกเราเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4จะต้องอาศัยปัจจัย4ี่เข้าน้ําโภชนะอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัย อันนี้ก็คือปัจจัยสี่จะต้องไปคู่กันฮนะเพราะเรายังอยู่ในฆราวาสญาติโยมแต่เป็นผู้เสียสละแล้วอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างหลวงพ่ออย่างพระสงฆ์เนี่ยอันนี้แปลว่าจะต้องเดินดําเนินเดินตามแนวแถวของพุทธะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่จะตุปปัจจัยมามากก็ดีไหมก็ดีถ้ามีมากก็ใช้มากถ้ามีน้อยก็ใช้น้อยอถ้าไม่มีมากเราก็ไม่ต้องใช้นะ เพราะอะไรเราอยู่อย่างพระนะอันนี้แหละชีวิตของพระแต่มุดความมุ่งหมายมุ่งมั่นของพระนันคืออะไรนะตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญาสนะำหรับพระนะศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษรักษาตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าศีลที่องร้อิจหรือศีลอภิสมาจาร ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้คือศินสมาธิเป็นแนวความคิดให้คิดยังไงตามแนวแถวที่พุทธะให้พระสงฆ์ทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายคิดยังไงจึงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงโทคิดยังไงผิดพูดง่ายๆสัมมาทิฏฐิคือคิดโทมิจฉาทิฏฐิคือคือคิดผิดอันนี้ก็คือสมาธิอย่างนั้นกัปัญญา ปัญญานี่ก็มีมากหลายและห ล, ลายอย่างปัญญาคํานี้มันใช้ทั้งทางโลกมันใช้ทั้งทางธรรมทางธรรมใช้ไปยังไงเป็นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าใช้ไปในทางที่ผิดใช้ไปยังไงอันนี้ก็ปัญญาอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องศึกษาวิสาวิชาของพระพุทธศาสนาเนะี่ยไม่ใช่วิชาหว ย, หวยนะเป็นวิชาลึบหรือพบหรือชาดเจแมมะจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร แต่วิชาทางโลกพวกเราได้เรียนได้ศึกษามานเน่ตั้งแต่เรียนมาเนี่ยเรามีแต่มองออกไปข้างหน้าออมองออกไปทางคิดปรุงฟุ้งซ่านออกไปข้างหน้าวิชาคณิตศาสตร์คืเคิดออกไปข้างหน้าคณิตศาสตร์กฎหมายวิชาการแพทย์วิชาการอะไรทุกอย่างมีแต่ปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกทั้งหมดติวิชาของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจ มันแปลกแตกต่างกันนะนักนักศรัทธาญาติโยมนะวิชาในพระพุทธศาสน า, า, า, ากับวิชาทางโลกที่เขาเรียนกันอยู่เนี่ยทั่วบ้านทั่วเ ม, มืองทั่วโลกนะเรียนเท่าไปไมีออกไปข้างนอกทั้งหมดแต่วิชาของพุทธศาสน า, าเนี่ยเรียนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจพวกเรามีใจใจคือผู้รู้คือถ้าจะพูดอีกแบบทางโลกให้เข้าใจง่ายก็คื อ, อ, อย้อนเข้ามาหาสมองเ อ, อ พวกเราใช้สมองในการคิด เ, เราก็เลยย้อนเข้ามาหาสมองตัวคิดนั่นแหละแต่หลักของพุทธศาสนาท่านไม่หว่าสมองนะท่านวัาใจท่านหวัดใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นใจมันคิดเรื่องอะไรมันปรุงไปเรื่องอะไรมันค้นคว้าศึกษาเรื่องอะไรอันนี้ก็คือเรื่องของใจแต่พุทธศาสนานี่ท่านย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจ ใจคิดอย่างงั้นเอ่อมันหลงมันลืมตัวนะมันเผลอนะมันลืมนะมันหลงนะเออมันออกนอกลูก่นอกทางนะเป็นมิจฉาทิฏฐิในการคิดนะไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะเออแตนี่เราเอาสัมมาทิฏฐิริบมิจฉาทิฏฐินี่ยเราเอาอะไรมาวัดเนี่ยเราก็เอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ในพระธรรมคําสอน 84% ดหมพันพระธรรมขันธนะ์คำว่าแปดห0ื่นพวกเราก็เอือมละอาแหละ แต่ตามไม่จริงมันน้อยนิดนะถ้าจะให้น้อยนะคือคิดถูกทำถูกพูดถูกเท่านั้นเองคาว่าถูกคำนี้คืออะไรถูกคำนี้ก็คือเนี่ยถ้าเป็นคราวญาญาติโยมก่อถ้าว่าทำถูกคิดถูกก็คือคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขานะถ้าเป็นของเราเนะ่เราโลภไม่ได้ไม่เป็นไรเราพยายามมันขยันขยันหาเงินคนหาคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ คนขยันยอมหาทรัพย์ได้ไม่จัดว่าเป็นความโลภถ้าเป็นหมื่นแสนหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภเพราะอะไรเพราะว่าเราหาด้วยในทางที่ถูกต้องแต่ว่าคิดถูกออออคิดไม่คิดไมออ่ไม่อยากจะได้ของเขาไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่พยาบาทปลองไายเขาไม่เห็นผิดอยากทํานองครองทำอันนี้คือความคิดนะ ไม่โลภอยากจะได้ของเขาโลภไปอยู่ในใจนะไม่พยาบาทปองร้ายเขาให้เขาวเห็นเขาคิดอาฆาตพยาบาทจองเวนขวางหูขวางตาไปหมดอันนี้อันนี้เขาคิดพยาบาทอาฆาตแล้วก็เห็นผิดจากทานองครองทำอันนี้มาก เ, เห็นผิดคืออะไรทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูย์อันนี้แปลว่าคิด คิดไม่ดีอ้านอกลู่นอกทางอันนี้ก็คือความคิดการกระทำาหละเอาอะไรมาวัดการกระทำของเราฆ่าสัตว์การไปฆ่าคนอื่นเขาเขโมยของเขาล่าลาบละล่วงในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาดื่มสุราขาดสติทำความชั่วเสียหายอันนี้คือการทำการกระทำความชั่ว ในหลักของพูดทธาเนี่ยคิดชั่วนอย่างที่เราว่าเนี่ยอันนี้คือทำชั่วเนีเอแล้วพูดชั่วล่ะพูดชั่วก่อโกหกโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเพูดวาจาทำให้คนอื่นยุยงส่งเสริมให้คนอื่นะทะเลาะวิวาทกันแล้วก็พูด ไปในทางที่ว่าจักยอกเงินคำทรัพย์สมบัติของเขาใช้วาจาของเรานี่แหละโน้มน้าว เ, เพื่อหลอกลวงต้มตุนหลอกลวงเขาโกหกเข า, เ, าเพื่อจะหาเงินเพื่อจะหาสิ่งที่ตัวเองต้องการาต้มตุนตอแหลไปเรื่อยอันนี้คือวาจานะาีวาจาเนี่แปลว่าการพูดที่ไม่ถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็คือกายใจยคืออะไรนะ ใจก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดโลภพยาบาทอะแล้วก็เห็นผิดจากทานองของธรรมแล้วก็การกระทำฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็ดื่มสุราแล้วก็มุสาโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขานี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเราเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธะมาเปรียบเทียบว่าการคิดการทำการพูดนั้นอันไหนดีอันไหนไม่ดี พวกเราก็คงจะพอเข้าใจนะถ้าว่าพวกเราทำดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการฆ่าคนอื่นเขาในเมื่อเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาชะใจอีกต่างหากพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราเมื่อไหร่ล่ะฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงเราไม่รู้จักใครมาค่าต่างหากเขาโวยมาฆ่าน่ เราเสียใจไม่เสียใจเพราะนั้นการคิดเนี่ยการคิดจะฆ่าคนอื่นของเข า, นะเามันก็ผิดแล้วมันเป็นความชั่วแล้วในเมื่อทำลงไปก็คือความชั่วในการกระทำและก็ขโมยคนอื่นเขาอีกอขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าทายอีกอขโมยเงินคำทรัพย์สมบัติรถลามา้าม้าวิ่งของเขาอีกอและก็ลาบลาะล่วงในสามีภรรยาลูกหลานของเขาอีก ของเขาล่ะของเราละ่ะถ้าเป็นของเราเราเสียใจไหมถ้าเป็นลูกหลานของเราเราก็เสียใจถ้าเมื่อเขามาล่วงล้ำเราถ้าเมื่อเราไปทําให้กับเขาละ่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้ก็คือศินข้อที่สข้อที่4ี่มุสาการต้มตุนหลอกลวงกลคนอื่นเขาเขียนเช็คเดงให้เขาไปหลอกเขาเอาตะ ก, กัวยย้อมเป็นทองคําไปขายให้เขาเพอเขารู้ทีหลังเป็นตะกวด เขามีความรู้สึกอย่างไรเสียใจไหมเขาไมา่ทาให้กับเราหรอเราเสียใจไหมเสียใจเนีอันนี้ก็คือศินข้อที่5สุราเมรยะการดื่มธุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มธุราเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วทาความช่วเสียหายทุกอย่างเพรเห็นไรเพราะคนขาดสติเหมือนคนเป็นบ้าเนีเ่ยพวกเราเห็นไหมคนเป็นบ้านีไม่เข้าไปใกล้มาไหนะบางทีมันถึง คุมดีคุมร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่มันไล่เอเมิดฟันไล่ฟันไล่ฆ่าคนก็ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะ่คือศีลห้าของพุท ธ, ธนะเนี่ยอันนี้แปลว่าศีลแต่คิดนะคิดทำรรแล้วก็พูดนะล้วนแล้วจะเป็นทาคำสอนของพุธธทธะท้งนั้นแต่ปัญญาศนะีล ส, สมาธนะิปัญญานะปัญญาเนะี่ยสัมมาทิฏฐิในะคิดอะไรนะคิดช่วยเหลือคนอื่น คิดสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คิดไปในทางที่สร้างสรรค์ถ้าหากว่าปัญญานะคนที่มีปัญญามากันนะเป็นปัญญามิจฉาทิฏฐนะิคิดพยาบาทอาฆาต จ, จองเว้นเขาคิดอยากจะรัดเอารัดเอาเปรียบคันคิดถ้ารู้กฎหมายก็เอากฎหมายไปลังแกเบียดเบียนคนอื่นเขาอนะันล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาทางนั้นอันนี้เป็นว่าปัญญามิจฉาทิฐิ ไม่ใช่ปัญญาสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิมีแต่สร้างสรรคตัวเองกลมาพิจารณาการกลองไตรตรองก็เห็นเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นแต่เป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิแล้วอยู่ในจิตในใจของเราเนะี่ะมีแต่ความเดือดร้อนผุนวายนะอาน า, า, าตถายาดโยมลูกหลานเพราะนั่นหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หนีไปจาก จากที่ไหนเลยมันอยู่ในตัวของเราทั้งหมดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าหลักวิชาทั้งโลกที่เราได้เรียนได้ศึกษามันมีแต่ส่งออกไปข้างนอกออพวกเราศึกษาดูสิฟังดูสิจริงไหม ว, ว, วิชาขแขนงไหนต่อแขนงไหนปริญาตรีโทเอกเอกมีลูกกี่ขแขนงมิได้ส่งจิตออกไปข้างนอกทั้งหมดแต่พุทธศาสนามันแปลกแปลกกว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกเนี่ย ท่านไม่แหงย้อนไปที่อื่นให้ย้อนก็มาหาตัวผู้รู้คือใจใจดวงนี้แหละเป็นเจ้ากี้เจ้าการใจตรงนี่แหละเป็นใหญ่ท่านจึงว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโธมทุกท่านนะศึกษาเรื่องพุทธศาสนาในเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งในโลก เ, เป็นศาสตร์ที่น่าศึกษา หล้วเป็นศาสตร์ที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏสงสารแต่วิชาจากโลกถึ้งจะเรียนมากขนาดไหนก็เต๋อตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกเรียนอ ย, ย่างไม่จบนะแต่พุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียนเข้ามาจุดนี้แล้วพระองค์รับรองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าตายแล้วไม่เกิดอีกอย่างองค์หลวงตามหาบวชท่านประกาศออกไปเลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว เราจะไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เราเกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเรากําจัดออกจากใจของเราแล้วใจของเราเป็นไทยแล้วใจของเราไปอิสระแล้วนะใจของเราเป็นอีกมิติหนึ่งจากโลกทั้งหลายโลกทั้งหลายก็เหมือนกับมะมะพร้าวที่เป็นกะิมะพร้าวใช่ไหมเป็นมะพร้าวเป็นกะทิมะพร้าวแต่พระอาหารเนี่ยท่านเอาก็มะพร้าวมา ขูดเสร็จแล้วก็มาปั้นเอาน้าปกะเทเิจากนั้นท่านก็มาใสาก่กระทะจากนั้นท่านก็มาต้มเขี่ยวด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาต้มเขี่ยวจนกะทิมะพร้าวลอยขึ้นมาเป็นน้ำมันมะพร้าวเป็นอิทมิติหนึ่งแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เป็นกะทิมะพร้าวนะไม่ใช่เป็นขุยมาพานะพร้าวล้วที่มันลอยขึ้นมาแล้วเป็นอีกมิติหนึ่ง จะเอาน้ำมันน้ำมันมะพร้าวที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยนะที่มันละเอียดลอยขึ้ไปขยํำกับขุยมะพร้าวมันเข้ากันไม่ได้นะมันคนละเรื่องกันเลยนี่แหละที่ท่านภาวนาท่านจิตของท่านบริสุทธิ์คือมันลอยออกมาจากาจากกิเลสจากใจของเราที่บริที่เต็มไปด้วยกิเลสใจเป็นอิสระใจเป็นไทยอพอกิเลสราคะโทสะโมห์รุดออกจาก ใจของท่านแล้วท่านใจของท่านเป็นใจบริสุทธิ์แล้วนะจะไม่มาเกิดอีกแล้วใจคือน้ํามะพร้าวนะ่ยจะไม่ขยําเข้าไปไปที่ไหนมันก็ลึกเหนือกว่าไปอยู่ตกในน้ํามันก็อยู่เหนือน้ำนะํำพะเหตุไรเพราะมันมันเป็นอีกมิติหนึ่งนี่แหละอันนี้คือพระรหันต์ใจของพระรหันตี่ใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท่านไม่มาเวียนไายตายเกิดอีกแล้วท่านจะไม่มา ่เป็นลูกมะพร้าวอีกเลยท่านจะไม่มาเข้าเป็นขุยมะพร้าวอีกแล้วนะท่านจะไม่เป็นน้ํากะทิมะพร้าวอีกแล้วเพราะท่านเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วนะพระท่านขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะมีที่จบมีที่สิ้นสุดถ้าว่าพวกเราปฏิบัติให้ถึงที่สิ้นสุดแล้วถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะการกล่าวสมโมทัทนยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นวันพระวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2559ให้คณะสัตาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนื้อและอุทิศสวนกุศลด้วยนะถึงพวกเราคณะสัตยาญาติโยมไม่ได้กลับไปบ้าน ทางอยู่ทางภาคกลางที่มาทําบุญนะที่นี่ก็ให้กุทิส่วนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราท่านเคยทําบุญวันศาสตร์ของท่านที่บ้านเมืองของท่านที่บ้านของท่านท่านเอลูกหลานของเราเนี่ยทำบุญให้เราบางเดี๋เปล่าหน้านะนะลูกหลานปู่ย่าตา ย, ายายที่ตายไปแล้วนะท่านอาจจะ ย้อนมาหาพวกเราก็ได้ที่ท่านตกทุกข์ได้ยากถ้าบันท่านเป็นเศรษฐีแล้วท่านก็ไม่มาแล้วท่านไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้วนะท่านก็คงจะไม่คิดถึงลูกงหลานแต่ท้าว่าท่านยังวนเวี ย, วยนไหวาตายเกิดอยู่นะบางทีไปตกนรกขึ้นมาบางไปที่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชั้นมาบาังมายังไปที่ไหนไม่ได้นะเอลูกหลานทําอุบุณอุทิศสวนกุศลให้ข้าบางหรือเปล่าหน้านะเพราะฉะนั้นพวกเรา ได้พบพรกพุทธศาสนาได้มาทำบุญในสถานที่ต่างๆได้มาทำบุญในวันนี้ละพวกเรากอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนและผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเราทุกๆครั้งทุกครั้งที่เราทำบุญนะตอนน่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร